ใครใคร เ, เป็นจะส่งเงินบ้านว่ามาอานหนูเห็นความกลัวเพราะว่าหนูหนึกเรื่องผีคะ่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองกลัวผีมากสักพักนึงก็รู้สึกว่าอยู่ดีก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วที่เรื่องกลัวผีก็หายไปแล้วหนูก็ไม่ได้อยากคิดเรื่องผีอีกแต่ว่ามันก็กลับมาคิดใหม่มสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยคะ่ะจนสุดท้ายแล้วก็ เหมือนลองตามลมหายใจนอนไปด้วยอะค่ะแล้วก็ตามลมหายใจพยายามจะอยู่กับลมหายใจแต่ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามันก็แวบออกไปคิดเรื่องผีใหม่มหรือว่ามันก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าก็พยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจอะค่ะลมหายใจไม่ใช่เพื่อบังคับไม่ให้ใจหนีไปไหนนะค่ะหายใจไปแล้วใจแว บ, บไปหาผีล้วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆดู เห็นไหมอย่างมันจะคิดเรื่องผีเราไม่ได้จงใจมันคิดได้เองเนี่ยสิ่งที่เราภาวนานะเพื่อจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันทำงานได้เองน ะ, ะความรู้สึกทั้งหลายมันตามหลังความคิดนะเราคิดถึงผียิง่งจินตนาการมากก็ยิ่งกลัวมากความคิดเราทั้งนั้นแหละตัวนี้เรียกว่ากิเลสมารหลอกเราอาภีสังฆารมารความปรุงของเราเองหลอกเราเอง อันนี้ที่หนูทําอยู่นี่คือถูกต้องไหมคะถูกไปทํำอีกนะขอบคุณค่คะคเมื่อวานเ อ, อดูว่าไปหลงคิดแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดแต่ว่ามันก็คิดอยู่ดีค่ะก็เลยโมโหตัวเองเออ <laughs> แล้วถ้าเราถ้างนั้นก็จะกลับไปทําภาวนาแบบไหนดีคะภาวนาไปแล้วหลงคิดเรารู้ จะไปห้ามใจไม่ให้หลงคิดนะห้ามไม่ได้นะ ใ, นใจมันเป็นอนัตตาจิตอนัตตาเนี่ยจะหลงคิดเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรามันหลงแล้วโมโหก็รือว่าโมโหอัในนี้ใจลึกๆมันยังคิดว่าจิตมันเป็นของเราเป็นตัวเราของเราแล้วมันไม่ได้อย่างใจมมโมโหนใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อขอจําเป็นนะคุยเล่นไม่เอา กลับนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อหนูมาจากอุบลค่ ะ, ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้หนูเริ่มต้นนับหนึ่งไหมสวดมนต์ดูกายแล้วก็ดูจิตอตอนนี้หนูก็จะเห็นอาการกลุงมกลางอกอได้บ่อยขึ้นแล้วก็มันก็ทุกข์าดแต่ก็ทุกพอทนไหวค่ ะ, ะหนูสังเกตว่ามันจะมี การผุดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะคือมาสองทางทางแรกก็คือเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันผุดขึ้นมาเองกับอีกทางหนึ่งก็คือการกระทบกับสิ่งภายนอกโดยเฉพาะเรื่องที่คิดนะคะแล้วก็หนูก็รู้ว่าตรงกลางอกเนี่ยมันมันไม่รับรู้ว่าสิ่งที่กระทบคืออะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็จะออกมาเป็นความทุกข์ทั้งหม ด, ดแล้วก็ มันก็บังคับไม่ได้ด้วยค่ะเรียนกับหลวงพ่อขันตีป่ะเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อขันตีค่ะเ อ, อใช่ได้ไปเรียนอีกไหมค่ะทํามาถูกแล้วล่ะค่ะเรามีอะไรที่จะต้องเสริมอีกไหมคะหลวงพ่อเหย่าโลคเนาะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ เออเต้นก็ปฏิบัติก็คือดู ด, ดูกายจิตนี่จับกายหายใจก็รู้สึกนี่ก็เห็นหัวใจเต้นทุบๆ ก, ก, ก, ก็รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับ hmm. แล้วก็เคยดูกายแล้วก็เห็นกายเนี่ยเป็นแคย้ยๆโผงมดเนะะี่ยค่ะที่มันตายทิ้งหลัง hmm. แล้วก็เห็นบางทีก็เจ็บที่หัวเข่าก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับ hmm. ค่ะเพิ่งปฏิบัติครั้งแรกขอให้หลวงพ่อแนะนาด้วยค่ะไปปฏิบัติอีกนะ ที่ทำถูกแล้วล่ะทำไปค่ะการทำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นความปิติเห็นความไหวไวันๆของตัวเองค่ะโอ้ชาวอูบลว่าเนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อนอาบกให้เก่งด้ยถูกใจภาวนามันก็ต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นแหละต้องต่อสู้เอาเจ้าค่ะดูแล้วดูอีกนะ เไม่ใช่ดูนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมันหนีไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้กินหรอกเราสู้อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะจะฟุ้งหน่อยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อจะเกิดความฟุ้งก็เห็นอยู่เจ้าค่ะนั่นแหละรู้ไปเจ้าค่ะห้ามมันไม่ได้เราจะรู้จนกระทั่งเห็นว่าใครนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราะเป็นอนัตตาถึงจะใช้ได้ ไปฝึกให้ใจสงบก็งั้นงั้นแหละสงบได้ก็ยังฟุ้งได้อีก <Okay. S 1> ฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจเป็นไตรลักษณ์ใจมันจะวาง <Okay. S 1> ไปฝึกอีกไปดีห <Okay. S 1> ลวงพ่อคันตีนะ่าสอนเก่งอพอดีวันนี้พ่อมาครั้งแรกอะคะ่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำให้หน่อยอ ะ, ะพ่ออยากให้แน่ห้ือเปล่าเนี่ยไปบังคับพ่อ น, นะบาบ่า เนี่ <Yeah. S 2> พ่ออยากหรือเปล่าสวัสดีครับหลวงพ่อเออถ้าหลวงพ่อบอกให้เลยก็ได้ไม่ต้องส่ง อ, อ่ะเรื่องมาเป็นค ร, รั้งแรกเอ อ, อ, อตอนนี้เราตื่นเต้นตื่นเต้นเราก็รู้ทันใจตัวเองว่ามันตื่นเต้นการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกค่อยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆอมันมีความรู้สึกอะไรก็อ่านไปรู้ไป เห็นไหมความตื่นเต้นเ้าไม่คงที่ตอนนี้มันเริ่มลดลงแล้วขึ้นขึ้นลงลงความรู้สึกอื่นเราก็ดูแบบเดียวกับที่เห็นความตื่นเต้นนี้แหละดูทุกความรู้สึกแล้วนะอย่างนี้แหละไปฝึกเอารู้นนอยูท้ายห้องไปข้างหลังนมมส ก, การหลวงพ่อครับขอ โอกาสส่งกันบ้านกับทาคําถามสองข้อครับครั้งที่แล้วผมส่งกันบ้านหลวงพ่อให้บอกว่าลองไปดูจิตที่มันเกิดดับทางทวารมันจะมีตัวผู้รู้ขั้นอยู่ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่เห็นมันถูกหรือเปล่าครับผมเริ่มเห็นบางเห็นเเห็นจดูไปอีกครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเวลาทาสมถะครับหลวงพ่อปัจจุบันก็คือใช้ตัวรู้กายแล้วก็ ลมหายใจกับมรณะกรรมฐานนะครับแต่รู้สึกว่าพอเวลาในชีวิตประจำวันไม่แน่ใจว่ามันถูกจริญไหมเหมือนสติมันก็เกิดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับผมควรจะใช้สมถานะี่เราทำไปเพื่อให้ใจมีแรงนะใจไม่ฟุ้งซ่านได้พักผ่อนอยากเกิดสติต้องหัดรู้สภาวะครับอย่างร่างกายเคลื่อนไหวอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกางา ฝึกรู้สึกเรื่อยๆเดี๋ยวสติค่อยเกิดเองนะอยู่ในชีวิตประจาวันนะตามองเห็นจิตมันก็กระเทือนขึ้นมาก็มีสติรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็กระเทินขึ้นมาัก็รู้ทันที่จิตกระเทือนนีนะ้อย่างนี้จะฝึกอยู่ในชีวิตประจาวันได้รู้ที่จิตนั่นเองแปล่อยให้มันทางานไปทางอายตนะ ก็คือผมใช้เป็นกายเคลื่อนไหวกับอิริยาบถเป็นกรรมฐานได้อยู่ใช่ไหมครับได้แต่ว่าต้องรู้ทันจิตนะโอเอครับถ้าไปรู้กายเป็นสมถะจิตจ่อลงไปอยู่กับกายสมถะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วพอจิตมันกระชอกไปทางโน้นทางนี้มีสติรู้ทันอย่างเนี้ยถือก็ใช้ได้ครับผมต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรไหมครับหลวงพ่อใจยังโลภอยู่ครับนะ บครัตื่นเต้นมากปะคะสมกาน่ชอรีนหนาวนานะใช้ได้นะบอกให้เลยจ้ได้ไม่ต้องตื่นเต้นว่าไปอยากอยากปฏิบัติก็ค่ะอยากขอความเมตตานั่นแหละรู้สึกตัวไปเฉยๆหละอ่านใจตัวเองไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้ก็แค่นั้นแหละนะ ทุกวนไว้พระสวดมนต์ไว้ถือศีลห้าไว้ฝ <Okay. S 1> ึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองแหละคนที่ไม่เคยฝึกก็ฝึกง่ายเพราะไม่ได้ไปติดเพ่งพวที่เคยฝึกแล้วมาแก้แนั่งเพ่งมา <Okay. S 1> เขาหนูล้วฝึกง่ายไปดูเอาอ่านใจตัวเองเรื่อยๆ <Okay. S 1> สุขก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้ะอิจฉาก็รู้อิจฉ า, ฉ า, ฉาเป็นไหม เ, เออเนะอะหลวพ่อวางวนะั่นแหละมันเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆก็ค่ะกลาวนำ้ำมศการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะตื่นเต้นมากส่งกี่ครั้งก็ตื่นเต้นหนูอยู่หนูอยู่ในรูปแบบไม่ค่อยได้นะคะเจ้าคะ่ะเพราะว่าหนูเป็น อกระดูกสันหลังทับเส้นทับเส้นประสาทแล้วก็กระดูกคอเสื่อมออแล้วก็เป็นทรัสซีเมียซึ่งถ้าเดินเดินหน่อยมันก็จะชาลงมาจากจากไหลเจ้าค่ะแล้วก็ถ้านั่งนานมันก็คือเหมือนมันระแวดระวังในการอาการของของบาดเจ็บนะคะเจ้าค่ะก็นอนเลาวค่ะนอนนอนพอได้เจ้าค่ะนอนทําได้ได้แหละนอนทำเอาทำที่เราทําได้อะนอนไปแล้วใจโมโหก็รู้ นอนไปแล้วใจเผลอไปก็รู้นอนไปแล้วใจสงบก็รู้นอนแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆไปทาเอาแต่หนูไม่ค่อยเห็นความทุกข์นะเจ้าค่ะความทุกข์ความสุขมันมันอยู่ห่างๆเจ้าค่ะมันมันมีแ่มันเฉยมันเฉยไปมากหรือเปล่าเจ้าคะไม่มากอ่ะเฉยพอดีไปนอนนะนอนแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยมันเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆ ความสุขความทุกข์มันมีแต่มันไม่ใช่ใจเรานั้นแหละถูกแล้วแล้วให้หนูใช้วิหารธรรมตัวไหนเจ้าคะตอนนี้<ช>ตอนนี้หนูพุโทโธแต่ว่าดูเหมือนจิตจิตมันดื้อเจ้าคะ่ะเอพุโทโธ ถ, ถึงสี่ร้อยห้าร้อยเงี้ยก็ก็มีหลงไปหลายครั้งอยู่คะ่ะแต่ว่าหลงได้คอบทีมันอยู่ๆมันก็โผล่หลงได้พุโทโธไปแล้วหลงแล้วรู้เอนะไม่ใช่พุโทโธไม่ให้หลงนะเจ้าคะ่ะยังไงก็ต้องหลง สาธุเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเราดูหนุ่มที่นั่งรถเข็นเป็นตัวอย่างนะ mm hmm. เขามาวัดลำบากพอพวกเราเยอะเลยเขาก็ภาคเพียนใจิตใจเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นอดทนภาคเพียนไปดูกายดูใจไปพวกเราได้เปรียบเขาแล้วเอา เรวเอาแรงแข่งขาดีเอาไปทําชั่วกันไม่ดีเอามาสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองเดินจงกรมได้ก็เดินไปยังเดินได้ก็เดินอีกหน่อยเดินไม่ได้ยังไม่อยากเดินอนะย่างนั่งไหวก็นั่งไปงนึกคนตะเกียรนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ได้นอนอยู่ท่าเดียวก็ต้องฝึกในท่านอนทําเท่าที่ทําได้ นี่เราสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ก็ขยันภาวนาอยาวความสมบูรณ์แข็งแรงเราไปทะเทลทรายใช่ไหมคะว่ามากราบนำ้ำมัสการหลวงพ่อครับดังๆกราบนำ้ำมัสการหลวงพ่อผมมาจากอุบลครับผมมาจากอุบลครับเออเอี้ค่อยได้ยินเลยที่ไม่ได้ยินเลย มาส่งมาส่งการบ้านขั้นที่สามครับแล้วเป็นไงอ่ะจริงๆผมอยากส่งหลวงพ่อทางในนะอะไรนะส่งหลวงพ่อทางในแต่ทีนี้มันทิ่มตลอดนะกิเลสเออคิดดีทิ่มดีพูดดีทิ่มดีเออสมน้ำหน้าก็อย่างนั้นได้ครับผมผมกอน้า เวลาเราคิดเราพูดเราทํานะมันก็มีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังถ้าไม่ใช่กุศลก็อกุศลแหละส่วสนใหญ่ก็คือตัวกิเลสมันบงการให้คิดบงการให้พูดบงการให้ทําเราค่อยรู้เท่าทันมันไปเรื่อยๆใจมันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นครับดีค่อยๆฝึกไปนี้ผมมาฝึกตามแนวทางหลวงพ่อตั้งแต่สติระดับขั้นแรก ทำกลางแล้วก็เข้มแข็งทีนี้ผมก็ม า, าได้ที่ตอนนี้อยู่ที่สติที่เข้มแข็งแล้วก็จิตใจเป็นกลางลวรื่องไงล่ะก้าวอย่าตอนนี้ใจมันฟูซ่านถูกไหมใ<ช>่มันดิ้นไปดิ้นมา เราก็รู้อย่างที่กำลังเป็นนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับนะฝึกมากๆล้วดีชาวอุโบสถนี่มีบุญนะเมื่อก่อนจะมีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มีหลวงพ่อชาอะไรเงี้ยดียนี้หลวงพ่อเห็นฝีมือหลวงพ่อขันตีนสอนสอนดีลูกศิษย์ออกมาน่าดูอย่ายา่มใจนะครับ ตอนนี้ชักจะย่ำใจไปฝึไปใจมันยังฟุกนะใจยังไม่ค่อยมีแรงอยู่ที่ไหนพออยู่ข้างหน้านี้กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมปฏิบัติ เปิดยูทูปปฏิบัติตามหลวงพ่อมาประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะอืไม่เคยมาเจอหลวงพ่อเลยก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือว่าเพ่งหรือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะเห็นค่ะเห็นไหมเวลากิเลสเกิดรู้ได้เร็วขึ้นค่ะนั่แหละความเข้าวหน้าของเราค่ะเวลาจะทําผิดศีรษะรู้ทันว่ามันไม่ดีรู้ไหมค่ะรู้ค่ะนั่นแหละเจริญแล้วขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะไปอ่านใจบ่อยๆไป เวลาสงสัยก็เปิดย t u b e ฟังเอามีคำตอบทั้งหมดหล ะ, <น> ะ, ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเทปนะมีซีดีอะไรเงี้ยก็สั่งทีมงานว่าที่ท้าปอกอะเอารูปอะไรใส่เข้าไปก็ได้ดอกพวงดอกไม้อย่าใส่รูปหลวงพ่อนะเราไปไหนมาไหนเราสบาย <S <S <S เดี๋ยวนี้ YouTube ทำเราแสบมากเลย <S <S ไปไหนนะหูยเวียนหัวนะ คนน้นก็ดู y o u t u ู e คนนี้ก็ดูย t u b e หลวงพ่อว่าต่อไปตอนเทศจะใส่หน้ากากดีไหมมีเขามีอะไรอย่างนี้เนาะคนจะได้จับไม่ได้นี่อยู่ข้างหน้านี่คนสุดท้ายขอาการนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าของพ่อคะ่ะโยมมาจากลำพูน ดีปฏิบัติตามยูทู e หลวงพ่อมา4ปีแล้วไม่เคยสงสัยสงสัยก็ดูยูทู e แต่ว่ามีอยู่ข้อนึงมันมันดูยังไงมันก็ไม่กระจ่างก็ค่ะหรือว่าโยมเป็นโลกทางสยศาสตร์เสร็จแล้วโยมอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาที่โยมรู้เห็นเป็นต่างๆนี้เป็นเองหรือว่า อันอื่นแอบแฝงค่ะอะไรจะแอบแฝงเราเราก็อย่าไปสนใจนะเราสนใจรักษาจิตของเราไปเรื่อยๆอย่างเวลามีอะไรแฝงเข้ามา ใ, ใจเรากังวลรั้วากังวลใจกลัวรนะั่วกลัวสิ่งที่แอบแฝงมาทำร้ายเราเนี่ยไม่เกินกรรมหรอกถ้าไม่มีกรรมนะไม่โดนเลยแต่ถ้ามีกรรมยังไงก็โดน ก็เหมือนการใช้นี่นี่เมื่อมีนี่ก็ใช้นี่ไปแต่ว่าเราทำาคําใหม่ที่ดีอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆ ใ, ใจกังวนรู้ใจกลัวรู้ ใ, ใจโมโหขึ้นมารู้ ใ, ใจเป็นยังไงก็รู้โมโหเป็นไหมเป็นนั่นแหละเมื่อกี้หลวงพ่อพูดคำว่าโมโหนะประกายไฟแลบปั๊บออกมาเลย <laughs> แสดงว่าโหชํานาญจริงนี่นคอยรู้ทานอย่างนี้แหละ แล้วที่โยมภาวนามาสี่ปีนี่ผูกทางผูกทางกว่เจ้าถูกเมื่อก่อนที่ลําพูนหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์อยู่นะคือหลวงพ่อวัดพระบาทตักผ้าอยู่ป่าสางรู้จักไหมรู้จักแต่ว่าเคยหันก็องนล้นแหละดีะแต่ไม่อยู่แล้วลําปางหลวงพ่อก็มีอาจารย์นะหลวงพ่อเกษมะก็ไม่อยู่แล้ว เชียงใหม่หลวงพ่อก็มีอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วซะวงเลยถือเวลาต้องช่วยตัวเองมายากมาหาหลวงพ่อมาคนเดียวมันมีเปื้อนสะโคน่ะก็ขึ้นรถตู้เข้ามาสิเขามีรถตู้จากเชียงใหม่ดมาเที่ยวที่พัทยามาทุกปีแล้วก็เลยเหมาแท็กซี่จากพัทยามาจากเออดีนะแหม ไปเที่ยวพัทยาได้มาวันหลวงพ่อแล้วหมายาก<ป>ฟังแล้วมันบัดใจ <c oughs> มันบัใจเจ้าวันที่ <c oughs> คุณลุงแกมาพัทยาจากาเลยมาอ๋อหรือว่ามาพัทยามาเองอวันนี้เท่านี้ <c oughs> นะเดีห๋หลวงพ่อมี <c oughs> ประชาสัมพันธ์ที่นึ่งปกติเดือนธันวาเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อจะพาพวกเรา ไปไถชีวิตบัวปวายนี่เราไถามาเยอะแล้วเป็นหลายร้อยตัวแล้วะคนยุคนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บัวใช้ปวายเท่าไหร่แล้วละหลวงพ่อเลยเปลี่ยนใหม่ช่วงนี้ไม่ไปไถบัวปวายแล้วหลวงพ่อทําบุญโรงบาล น, นี่ถ้าพวกเราอยากทําบุญร่วมกับหลวงพ่อเราก็ไปทําบุญตามโรงพาบาลแหละแล้วก็ มาบอกหลวงพ่อหน่อยก็ได้ไปเขียนเล็กๆอบอกได้ไปทำบุญมาอะไรอย่างนี้หลวงพ่อจะได้อนุโมทนาด้วยนะไม่ต้องส่งเงินมารวมที่หลวงพ่อนะเดี๋ยวใครว่าหลวงพ่ อ, อยักยอกนะเราอยากทำที่ไหนเอาที่นั่นแหละนะที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันคือการส่งเคราะห์คนนะส่งเคราะห์คนเราส่งเคราะห์สัตว์มาเยอะแล้วส่งเคราะห์คนบ้างคนยากจนให้ลาบากมากจริง จะไปโรงพยาบาลก็ไม่มีค่ายาไม่มีค่ารถไม่มีอะไรเลยลําบากมากนระ่มหายตายจากน่าสงสารเรามีกําลังเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่างหลวงพ่อไม่สบายเมื่อปีห้าเก้าเป็นมะเร็งนะพวกเราก็ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ให้มาเยอะเลยนะสิบกว่าล้านหลวงพ่อก็รักษาไปแนละ้ว ส่วนเกินหลวงพ่อก็ยกให้โรงพยาบาลเรารับเจ็ดล้านให้โรงพยาบาลไปเขาก็ได้ไปช่วยคนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยอย่างที่ทำบุญมาตอนนั้นหลวงพ่อก็เอาไปทำช่วยคนอื่นต่อก็เป็นบุญของพวกเราด้วยแต่อย่างนี้ถ้าใครเคยปล่อยบัวควายกับหลวงพ่อนะก็ปีนี้ชวนอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนก็ไปทำที่นั่นแหละ ขาดแคลนทุกโรงบ้าบาละละอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาจารย์อาจารย์พูดเราเองหลวงพ่อเมื่อยปากแล้วพูดมากเจ็บคอนีสำนวนสมัยใหม่หั <c oughs> นหน้าไปทางโน้นเลยบอกเขาว่าเราไปทำอะไรมาวันนี้จะชวนพวกเราร่วม ถวายที่ดินให้วัดนะครับที่ที่ทำโปรเจกต์เมื่อสองปีที่แล้วเรือนพฤศจิกาที่ชวนท่านร่วมบริจาคเงินซื้อที่ตรงข้ามวัดก็เปิดบัญชีเฉพาะมีพวกเราร่วมบุญมาทั้งคารวาทั้งคณะสงฆ์ทั้งบุคคลทั่วไปร่วมเงินมา47เจล้าน 1นึ่งแบาท77สตางค์ครับผมก็เอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อที่ดินทั้งหมด10แปลงโดยโดยทยอยซื้อในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับที่ดิน10แปลงนี้เแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดที่อยู่ใกล้กลๆที่จอดรถถัดไปด้านนู้นนะครับเนื้อที่รวมทั้งสิ้น33าไร่1งาน93ตารางวา เกแปลงนี้ใช้เงินไปสี่สิบหกล้านหกแสนหกมื่นหนึ่งพันสามอยห้าสิบบาทแล้วก็มีแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินอยู่ด้านหลังวัดติดรั้ววัดด้านหลังที่ดินนี้เป็นสิทธิทครอบครองเฉยเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งก็ใช้เงินไปสี่แสนห้าหมืบาทอันสิทธทิครอบครองนี้ถวายไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะ ร่วมการถวายที่ดิน7แปลงเนื้อที่16ไร่หนึ่งงานกับ24ตารางวาซึ่งเพิ่งโอนเป็นชื่อของวัดเมื่อวันศุกร์ที่22พฤศจิกาที่ผ่านมาหลังจากที่ถวาย7แปลงนี้ก็จะเหลืออีกสองแปลงเนื้อที่17ไร่69ตารางวาซึ่งปกติเวลาจะถวายที่ดินให้วัดกว่าจะได้โอนต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ก็หลังจากนั้น 6-8 ถึงเดือนหลังจากที่ได้โอนสองแปลงนี้ให้ให้ให้วัดล้าก็ก็จะร่วมถวายกันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็หลังจากที่จ่ายเงิน10แปลงนี้ไปแล้วเหลือเงินในบัญชียอยู่7 5็0 0ม6 8อยบบาท77สตางก็เงินจำนวนนี้ปิดบัญชีแล้วก็ได้นำถวายวัดไปแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะร่วมกันถวายที่ดิน7แปลงให้ คณะสงฆ์นะครับเชิญทุกท่านหันหน้าไปด้านนุ้นครัผมพวกเราตั้งนโมพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ ญ, ข, รรญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, าวายที่ดินรวมเจ็ดแปล ง, น เ, ปลงเนื้อที่สิบหกไร่นไรหนึ่งงานยี่สิบสี่ตารางวา ไว้ในพระพุทธศาสานาเพื่อเป็นที่ทรณีสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้โปรดรับที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แ, าาและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิน ว่อาจารย์อากับคณะสงฆ์นะจะอนุโมทนาตั้งใจนะเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ของเราแล้วก็จะอุธิส่วนมนุส่วนกุศลแะ้วก็เอานึกเอา ที่ดินนี่นะก็พระอาจ า, ารย์บพวกพระนี่ไปปลูกต้นไม้ไว้ตอนนี้ก็สูงทั่วหัวแล้วสนะักสองปีเราก็จะเห็นเริ่มเห็นความเป็นป่าของมันพวกสัตว์ก็ได้มาอยู่อาศัยกันอนะอย่างหนึ่งเป็นข้อดีของที่ดินพื้นนี้ก็คือให้พวก อารมณ์โลกทั้งหลายมันไม่มาซื้อพวกเราซื้อกันไม่ก่อนยัง ม, มาตั้งร้านคาราโอเกะอยู่หน้าวัดเรานี่นะแย่เลยนะกลางคืนว่าเมาเล้าเอฮาร์เยวนี้ความโหนหูมันมาถึงหมู่บ้านแนละ้วยังมาไม่ถึงวัดกลางคืนที่นี่ยังสงบสงัดอยู่เหมาะกับการภาวนานะถ้าวัดไปอยู่กลางเมืองเนะพระภาวนาลำบากภาวนายาก เอาตัวรอดยากมื่อเรารักษาป่าไว้รักษาสีแวดล้อมไว้สัตว์ก็ได้ประโยชน์นะคนทั่วๆไปก็ได้ประโยชน์อย่างออกซิเจนในวัดนี่สูงมากนะฝุ่นลอองที่คนอื่นเขากลัวที่วัดนี่ต่ำต่ำกว่ามาตรฐานที่ชาวบ้านเขามีกัน แล้วก็ความสงบความสงัดอะไรเงี้ยมันไม่ยั่วกิเลสมันเกื้อกูลกับการภาวนาอย่างหลวงพ่อตอนภาวนานะเป็นโยมไปอยู่ตามวัดบาอทีขอครูบาอาจารย์ไปปูกโกรดอยู่ใต้ต้นไม้สบายภาวนาได้ทั้งคืนนะ่ะมันมีสติอยู่ในกุฏินะเดี๋ยวก็ปิดบ้านนอนลนะปิดกุฏินอนปลอดภัยแล้วใช่ั้ย ถ้าอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้อยู่เลยเ อ, นะอกที่เคยกลัวผีห้าสิบเอร์เซ็นตมันกลายเป็นห้าร้อยเอร์เซ็นอ่ะมันน่ากลัวกว่กันเยอะเลย <c oughs> อยู่ๆงูมันจะมาไหมอะไรอย่างที่นี่ก็มีงูงูขนาดสี่เมตรอนะไรเงี้ยนมะี <c oughs> แต่ว่าอยู่กันอย่างสันติไม่กระทบพระทั่งกับคน แั้นเราพยายามรักษาธรรมชาติเอาไว้แล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองดนะ้วยเอาเชิญกับบ้าน